พระธรรมเทศนาแผ่นที่78ดลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดอนธานีสแสดงธรรมในวันที่21กรกฎาคมง2558บีชื่อเรื่องว่าไฟหาสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น วันนี้เป็นวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2558วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วคงจะได้เดินทางไปกิจนิมนต์ลงไปกรุงเทพแล้วก็เย็นนี้จะเป็นการสวดมนต์ที่บ้านใหม่ แล้วก็วันพรุ่งนี้จะฉันจังหันเสร็จพร้อมกับพระสงฆ์นิมนต์พระสงฆ์เก้ารูปนิมนต์คราวนี้คงเป็นหลวงพ่อชาลีหลวงพ่อสดลงไปด้วยแล้วก็สวดมนต์เย็นพรุ่งนี้เช้าฉันเช้าพอฉันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะกลับอุดรเนะพราะว่าจวนจะเข้าพรรษาแล้วเราจะ ไปที่อื่นทางวัดก็คงขาดตัวบกพร่องเพราะนั้นหลวงพ่อคงจะได้เมื่อฉันจะหันเสร็จเมือ่อเมื่อฝันพุ่งนี้คงจะกลับมาถึงวัดก็คงเย็นเย็นเย็นแต่ถึงยังไงก็ให้พระพี่เลี้ยงทั้งหลายให้ช่วยกันดูนาคนาคทั้งหมดมีอยู่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนาคที่รายงานมาเนี่ย แต่ที่จะกลับกรุงเทพก็มีจะกลับกรุงเทพวันวันนี้ <Okay. S 1> นากหนึ่องเราจะไปบวชที่วัดาราชบพิษพอญาติพี่น้องปู่ย่าตายายปวงสาคานายาตทั้งหลายอยากจะบวชโลกหลานสะก่อนแล้วก็คงจะกลับขึ้นมาเ <c oughs> <c oughs> มื่อบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วคงกลับขึ้นมาวัด หลวงพ่อมาจาพรรษาหลวงพ่ออืก็ดีเพื่อจะได้ให้ญาติติโกโหติ ก, กาปู่ญาตาิยายได้เห็นลูกหลานบวชแต่แต่จะพูดถึงจะบวชที่นี่อ้าวบวชแต่ถึงอย่างไงก็ให้พระผี่เลี้ยง ช, ยช่วยดูเรื่องอัตบริขารก็กดูแล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกพอจวนช่วงจะ เข้าพรรษานะี่มีแต่คนถวายผ้าไตรามา <c oughs> แล้วก็ผ้ารุ่นนี้ก็มีแต่ผ้ารุ่นดีๆทั้งนั้นต่อไปเนี่ยพระคงไม่ได้เย็บผ้าเนะพราะผ้ามาจากตลาดรู้สึกว่าผ้าเนี่ยเขาทำพระเย็บยังไงเขาก็เย็บอย่างนั้นแต่ว่าใช้ได้ทีเดียวเลยหลวงพ่อดูแล้วไม่แพ้ แต่ไม่แพ้สมัยเมื่อหลวงพ่อเย็บผ้านะขนาดขั้นฟีมือขั้นแนวหน้าทีเดียวเลยที่เขาตัดเย็บมาได้ขนาดอีกต่างหากหลายหลายหลายรุ่นเราจะเอารุ่นไหนรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นเรื่องอัถ บ, บริการภายในวัดของเราก็กวัวให้ช่วยช่วยกันดูไม่มีปัญหา เรื่องอัฐบริขารผู้ที่จะบวชแต่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะบางทีพระบวชก็มามาขอบวชเลือกไปมาขอบริขารหลวงพ่อยังจัดให้ไปทั้งสี่ห้าชดก็มีข้อสำคัญมีมีผู้อยากจะบวชเท่านั้นแหละเรื่องอัฐบริขารในหลวงพ่อหาให้ได้แต่ข้อบวช ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นแหละแต่ถ้าบวชกวเลกวราธหลวงพ่อก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันนะถ้าบวช ด, ด้วยหลักการจริงๆนะหลวงพ่อก็สนับสนุนเรื่องการบวชเราช่วยสงเคราะห์ที่อื่นเรายังสงเคราะห์ได้เพียงแต่สงเคราะห์บริอัถบริขารผู้เด็กผู้ที่จะเข้ามาบวชเพียงแค่นี้ สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อจิ๊บจอยเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สำคัญใหญ่ก็คือผู้ที่บวชะเอาจริงจังไหมอยู่ในหลักพระธรรมเคารพกฎกติกาบวชจริงจังไหมถ้าจริงจังแล้วก็เออนั่นละหลวงพอ่อยินดีอนุมโมทนาไม่เสียดายอัถบริขารที่จัดให้นะ แต่ถ้าว่าไม่จริงจังหล่อห ล, ล, ล, ล, ล่อนแหละเนี่ย เ, เสียเสียของเหมือนกันนะเสียเสียอัตรบริขารเสียความรู้สึกอีกต่างหากเมื่อพอผู้เข้ามาบวชแล้วไม่ตั้งใจนะ <c oughs> แล้วหลวงพ่อลงไปในคราวนี้ก็งานผู้นิมนต์ก็เป็นญาติโกของอติกาเป็นญาติผู้ใหญ่ขององค์หลวงตาที่นั่นนะที่ถวายจตุปัจจัยที่ลายใหญ่ ที่หลวงพ่อเคยประกาศให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบข่าวคราวนี้ทางขึ้นบ้านใหม่ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงพ่ อ, อจะต้องได้ลงไปรวมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาญาติโยมลงไปแล้วก็คงจะทำพิธีสวดพระปริตะมงคลเพื่อเป็นมงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ สร็แล้หลวงพ่อก็จะกลับมาแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะนักศร้ า, า ญ, ญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกงงอยู่ในพรรษาที่จะถึงเนี่ยมอนพระจะมากแต่ถึงยังไงหลวงพ่อเขามั่นใจในลูกหลานทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติใฝ่เพื่อจะฝึกฝนเออ ฝึกหัดดัดนิสัยตัวเองให้เป็นคนดีหลวงพ่อมั่นใจกับลูกหลานทุกองที่เป็นพระนะตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหลาก็เหมือนกันเข้ามาสู่วัดวาศาสนามาสู่วัดหลวงพอ่อก็คงจะมีความตั้งใจมุ่งมั่นเพื่อสร้างบุณสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจอย่างหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกันให้พวกเราท่านทั้งหลายติดตามดูสิว่า หลวงพ่อโผุดก็มาพระพุทธในพระพุทธศาสนาเนี่มีไหมเรื่องโลโภโหมดกณนะเรื่องจะสร้างผิดทำนองครองธรรมออกเดินออกนอกรูกนอกทางไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยตรงไหนที่ไม่สบายใจสำหรับศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานหลวงพ่อก็อยากจะฟังจุดนั้นอีกเหมือนกันเพราะลูกหลานมองดูหลวงพ่อก็เหมือนตาสับปะรดเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อทำยังไงหลวงพ่อผดยังไง หลวงพ่อทําอีกับกิริยายัางไงหลวงพ่อเกี่ยวข้องกับใครผู้ใดจุดนั้นไม่น่าจะถูกต้องจุดนั้นไม่น่าจะเป็นธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะหลวงพ่อคือแค่ว่าหลวงพ่อมองตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้คําตอบทุกคําถามที่จะต้องที่ถามมาหลวงพ่อมีถึงขนาดนั้นละคณะัทาญาทโยมลูกลานแต่ท้งนี้ทางนั้นก็ไม่ได้ท้าทายไม่ได้อะไรหรอกไม่ได้อวกโอดอะไร ไม่ได้โอ้โอวดสักดาบารมีอะไรเพียงแต่ว่าถ้าจะว่าอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนั้นจะถูกกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนต่อชุมชนต่อพระพุทธศาสนาแต่ถึงยังไงในจิตใจของหลวงพ่อแล้วก็เคยพูดให้กับศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานฟังไม่รู้กี่ครั้งตัวกี่หนข้าพระเจ้าหลวงพ่อเนี่ยมอบกายถวายชีวิต ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อคุณงามความดีต่อหลักเหตุผลต่อสิ่งที่มันถูกต้องเป็นธรรมแต่ เ, เป็นครูบาอาจารย์ก็เถอะแต่ถ้าไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมจุดนั้นก็ก็ต้องพูดกันอีกถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องเป็นธรรมอยู่ในหลักเหตุผล เ, เราน้อมรับด้วยความเคารพสักการะ แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ น, นันเลิศประเสริฐอยู่แล้วนะนี่ละอันนี้ก็คือความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นด้วยความในใจเพราะนั้นลูกหลานคณะสัทยาตาิโยมทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อนะถึงจะไม่หลวงพ่ออาจจะว่า ง, งมงายอย่างนั้นแต่ลูกหลานก็ให้ฟังเอาไว้ให้ฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้เพราะ แนวความคิดนานาจิตตังนาณาทัศนะเนี่ยจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้แต่ถึงอย่างไงให้ฟังเอาไว้แต่ลุงพ่อมั่นใจว่าการที่เดินตามแนวแถวพระธรรมคำสอนตามที่เราได้ศึกษาประวัติศาสตร์ขั้นท่านดำเนินมาอย่างไรพระพุทธเจ้าดาเนินมาอย่างไรพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านดาเนินมาอย่างไร พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรแล้วก็เดินตามแนวแถวปฏิปทาของท่านเหล่านั้นหลวงพ่อว่าไม่เดินทางไม่ผิดไม่ออกนอกลูกนอกทางเดินไม่เดินตรงตามแนวแถวพราท่านได้สาเร็จมรรคสำเร็จผลมาแล้วเราเดินตามทางที่ท่านวางเอาไว้จะผิดไปที่ตรงไหนเรานามาพิจารณากันกรองไตรตรอง ด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยหลักเหตุผลแล้วเราเห็นด้วยในแนวปฏิปทาที่ท่าน <c oughs> แนะนำสั่งสอนตั้งแต่เรื่องกฎระเบียบการเป็นอยู่การอยู่ด้วยกันควรวางตัวอย่างไงควรคิดอย่างไงนานาจิตต่งาง น, นานาะทัศนะนะการมาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างมาจากตระกูลตระกูลก็ไม่เหมือนกัน ตระกูลขราชการตระกูลชาวนาตระกูลพ่อค้าตระกูลมากมายมาอยู่ด้วยกันแต่ความรู้ก็ไม่เหมือนกันอีกจบมัธยมปฐมปริญญาตรีโทเอกหน้าที่การงานก็ไม่เหมือนกันอีกแล้วก็ความในใจของแต่ละองค์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอีกนี่แหละทัานว่านานาจิตต่างนานาทัศนะ์นานาการเป็นอยู่หลาก หลายในการเป็นอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามพระพุทธเจ้าท่านก็เคยตรัสเคยพูดไว้แล้วว่าพวงมาลาพวงดอกไม้ถ้ามีแต่สีแดงอย่างเดียวมาร้อยร้อย้อยขึ้นไปดูแล้วก็ไม่สวยงามถ้ามีไม้ดอกไม้หลากสีสีส้ม ส, สมสีแดงสีขาวสีอะไรผรสมประสานกัน แต่ในช่างมาลาในช่างมาลาคือช่างพวงดอกไม้ช่างในช่างมาลาในช่างพวงดอกไม้จัดพวงดอกบานดอกไม้ดอกมาลาให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นแกกันประดับผู้ฉลาดดอกไม้หลากสีเหล่านั้นจะสวยงามสวยงามกว่าดอกไม้สีแสดสีแดงอย่างเดียว อันนี้เราก็ยอมรับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะการที่เข้ามาศึกษาลูกหลานเข้ามาศึกษาอยู่ในวัดวาศาสนาต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่พึ่งพาอาศัยใครไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งถ้ารถถ้ารถของเราเสียเนี่ยเออเพื่อนของเราไสมัยบวช ด, ด้วยกันมันเป็นโซเฟอร์รถไปเปิดอู่อยู่ที่นั่นว่ะ ก็ต้องอาศัยคนอู่ถึงจะเป็นรัฐมนตรีก็เถอะนะก็ต้องอาศัยคนซ่อมรถให้เหมือนกัน เ, เ, เรียกว่าหมูเพื่อนของเราอยู่นู่นอยู่แถวนั่นถ้ารถของเราเสียเราก็ต้องเรียกหาหมูพวกเพื่อนของเราสรุปแล้วก็คือทุกคนถ้ามีหมูพวกเพื่อนมากก็ต้องในพึ่งพาอาศัยกันออยู่ในวัดวาศาสนาก็เหมือนกันเพนั้น เมื่อการมาอยู่ด้วยกันในขณะที่อยู่ด้วยกันก็ต้องสัารวมสํารวมกาย <c oughs> คือการขนอง <c oughs> ขนองทางกายและขนองขนองทางวาจาการพูดการจะกล่าวอะไรออกไปก็ต้องระมัดระวังทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่นะทุกคนที่มาอยู่ด้วยกันคนโบราณเขาจึงบอกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิด อยู่กับมิตรให้ระวังวาจาเนะี่ยคำนี้นะให้ฟังเอาไว้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะคือระวังยังไงแต่อยู่คนเดียวปล่อยจิตปล่อยใจไว้ให้ว้าเวอ้างว่างเงียบเหงาซึมซเศร้าเคล้ายๆว่าคิดออกนอกดูนอ ก, นอกทางเอคิดถึงคนนู้นคนนี้ว่าไม่เอางอใจดุเกิดก่อนทะเลาะวิวาดไม่พอใจกับคนนั้นคนนี้เอคล้ายๆว่าโมโหขึ้นมานะั่นะไม่มีใครยับยัง้ง คนที่สุดเติดเปิดเปิงเป็นบ้าได้ง่ายๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นท่านยังว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดทํามันคิดปุ๊บออกนอกทางเอ้ยมันคิดบ้าไปยังไงวะใจวะเราไม่แหงดิคิดอย่างนั้นนะเราเข้ามาอยู่วัดนะวัดวาศาสนาเลยเอเขาให้คิดยังไงเอก่อนที่จะเข้ามาเราจะคิดว่าอย่างไงเราคิดมาบวชบวชมาไงท่านให้มาปฏิบัติปฏิบัติอะไร ปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านวางไว้แล้วท่านจ้ทํายังไงพุทโธนะจะไปคิดทําไมคิดให้งโง่ทําไมคิดออกนอกรูนอกทางช่วงอย่างนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะคิดอย่างนั้นช่วงนี้สเดือนเราต้องคิดอยู่กับพุทโธเท่านั้นละ่ะอ้าวพุทโธนะเนี่แหละถ้าใจอยู่กับพุทโธอยู่ตลอดนะมันจะไม่มีเรื่องอะไรนะลูกหลานนะ นึกคิดถึงพุทธโธมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองจะก้าวไปที่ไหนกับพุโทโธจะนั่งอยู่ที่ไหนกับพุโทโธจะนอนกับพุโทโธพุโทโธพุโทโธในจิตในใจอพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเลยแล้วนะมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขอถ้าหากาคิดออกนอกลูก่นอกทางนั่นแหละทุกนาะลูกหลานนะ่ะขนทุกเข้ามาสู่จิตใจนะ สมุทัยคือเป็นเหตุให้ทุกเกิดกามัตหาคิดไปทางกามภาวะตันหาคิดไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะเป็นนี่ไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากป่วยไม่อยากตายนี่ก็เป็นทุกข์อย่างนัเพราะว่าสังวิภาวะตันหาออไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายกามัตนาภาวะคืออยากเป็นอยากเป็นนุ่นอยากเป็นนุ่นอยากเป็นนี่กัเป็นทุกข์ไม่อยากเป็นก็เป็นทุกข์ ไม่อยากเป็นจะเป็นทุกข์ไงไม่อยากแก่อยากเก็บอยากตายน่ะมันก็เป็นทุกข์อันนี้คือเหตุให้ทุกเกิดเนี่ยพวกเราให้รู้ให้ดูให้ดูที่ใจเนนี้ก่อนที่จะดูที่ใจใหม่ๆมันก็ดูไม่ได้เราลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ต้องฟังทำแนวแถวของครูบาอาจารย์ไม่ก่อนท่านให้ภาวนาพุทธโธนัมาอยู่วัดของท่า น, นเข้ามาอยู่ในวัดเข้ามาอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ภาวนาพุทธโธนะ เนี่ยแหะยึดตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้นะในเมื่อมีพุโทโธอยู่ในใจแล้วนะ่ะเอาละทีนี้พอตั้งหลักได้แล้วทีนะี้เราคิดอะไรก็คิดได้พิจารณากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่างไงก็ค่อยว่ากันทนะีนี้ น, ะนั่นแหละเมื่อเราเข้ามาในพุทธศาสนาให้อยู่คนเดียวให้ระวังความคิดนะอยู่กับมิตรนะอยู่กับเพื่อนกับผูงกับญาติกับโยมกับใครใคก็ตามนะ ต้องให้ระวังวาจาเราพูดออกไปเนี่ยมันจะกระทบกระเทือนไหมเน่ยมันจะเสียหายไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่ยที่หลวงพ่อพูดใน MP3 หลาย10แผน่นให้ลูกหลานข้าจจท่านจต่าญาติโจมฟังที่ว่าหลวงพ่อพูดแต่และคำหลวงพ่อเนี่ยพูดเร็วๆแล้วพูดอย่างนเนี้ยแต่หลวงพ่อก็ระวังนะอให้คยๆว่ามีสติอยู่กับตนเองอยู่ตลอดหลวงพ่อพูดด่าคนได้มาได้ด่าได้ฮ พูดให้มันเสียงไงพูดได้ไม่ได้แต่ว่าการพูดในชุมชนในชุมชนในสาธารณะหรือว่าในการแนะนำบอกกล่าวนะอย่างไงเอาศีลธรรมมาพูดอย่างไงแนะนำอย่างไงหลักเขตผลอย่างไงนี่แหละอันนี้ก็คืออยู่กับมื อ, อยาิกับโยงกับเพื่อนกับผงกับ คนทั้งหลายให้ใหระวังวาจาเอาไว้ถ้าระวังวาจ า, าไว้เนี่ยดีนะลูกหลานพานเนนทุกองค์นะเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยการให้สำรวมระวังกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อวาสินอีกต่างหากนะทําให้ช้องลงกายวาจาเนี่ยเป็นผู้ทุสินอยู่นสถานที่ใดไม่ดีทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นถึงอย่างไงก็ตามที่หลวงพ่อได้ย้ํากล่าวเบื้องต้วนว่าเข้ามาเพื่ออะไร เข้ามาเพื่อบำเพ็ญคุณงามความดีเพื่อบำเพ็ญหาทางพ้นทุกตามแนวแถวของพุท ธ, ธะนะแต่ในจุดนี้พวกเราอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงแต่ยังไงก็เถอนะแต่เมื่อเราต่อไปศึกษาไปเรื่อยๆพวกเราคงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงพราโลกวันนี้มันหาตรงไหนที่หามีความสุขที่แท้จริงในโลกนี่แต่เดี๋ยวเนี้เรายังหาเจออยู่เพราะเรายังไม่เคยประพฤติธปฏิบัต เราไม่ได้เข้ามาสู่ธรรมะอันลึกซึ้งนะแต่ผู้ที่เข้ามาสู่ธรรมะอันลึกซึ้งแล้วนะั้นมองโดยซี้ว่าความสุขในโลกนะั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมันมองหาไม่เจออย่างที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารหาจริงๆเออใช่ที่ท่านผูดโลดโลก น, ลกนี่หาความสุขไม่ได้นะมันจริงๆริงวะอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมวนมนุษย์ชาตนะิอันไหนะ เมื่อเราได้ศึกษาธรรมะแล้วเราจวรู้ได้คอยตามเลยลเห็นด้วยจริงๆกับพระธรรมคำสอนเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าพระหันธะสาวกจริงๆโลกมันหาความสุขไม่ได้ความสุขที่แท้จริงมันหาไม่ได้จริงๆในโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงไงละ่ะท่านก็หาท่านก็แนะนำวินะแนววิธีทางออกเอจะรู้ได้จรู้จริงเห็นจริงได้อย่างไรเย ท่านก็นแนะแนวเลยต่นนี้ผลทันพวกเราเข้ามาคราวนี้เข้ามาศึกษานะอศึกษาทั้งเบื้องต้นทัางทางกลางแล้วก็สูงสุดในหลักของพุทธศาสนาสูงสุดก็อย่างหลวงพ่อได้พูดให้ฟังเมื่อวานนีตอนเช้าเนะี่นั่นคือธรรมะสูงสุดของพุทธศาสนาให้ดูที่ใจมันรุดเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดอใจตัว น, นี้แหละเป็นตัวเหตุเป็น ปัใจจัยใหญ่เพราะนั้นจะพิจารณาอย่างไงพิจารณากายอย่างไงก็ตามพิจารณาเรื่องการเป็นอยู่อย่างไรก็ตามมันออกจากตัวผู้รู้คือใจทั้งนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราศรัทธา ญ, ญาติโยมพันเดนทุกองนะผู้ที่ปฏิบัติมานานแล้วก็คงเข้าใจนะในเรื่องว่าใจใจคํานี้นะแต่ผู้ที่เข้ามาใหม่เนะี่ยก็เอาศึกษาไปก่อนเหมือนกับเราเรียนก่ไก้ขอไขนะ่ จะเป็นรู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ต้องเรียนไปที่ระน้อยรน้อยรู้ไปเรื่อยเรื่อยต่อไปก็กว้างขวางเผ่อเผืเ่อย่างเก่งกว่าผู้มาก่อนอีกต่างหากเ พ, หหเพราะอะไรพอพระในกลางพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่านะบวชเข้ามาไม่เท่าไรเป็นพระหรหันต์แต่มีตังเยอะแยะะผู้ที่เข้ามาบวชเก่าไม่ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลก็มีมากมายาเหมือนกันเพราะนั้นธรรมะ ความรู้ความฉลาดเหล่านีนะ้ไม่ได้อยู่กับผู้ผใดใครผู้หนึ่งไม่ได้ผูกขาดนะไม่ได้ผูกขาดกับผู้ใดใครผู้หนึ่งฮะแตความรู้เป็นสาธารณะ เ, เป็นสาธารณะให้พร้อมกับทุกคนผู้ใฝ่ในการเรียนรู้ใฝ่ในการศึกษาฝ่ในการประพฤติปฏิบัตินะหลงพ่อมาเพียร น, นาอีกเหมือนกันนะเหมือนอความตายนกับไปอิสระเหมือนกันนะไม่ได้ บอกว่าเวลาเท่านั้นคนเวลาเท่านี้สมควรที่จะตายอย่างนี้เป็นต้นนะความตายนี่ก็เป็นอิสระเหมือนกันนะ่หลวงพ่อว่านะไม่ได้ผูกติดไม่ได้ผูกขาดในเวลา่เวลาถึงเวลามาถึงการมาถึงของมันแล้วก็นั้นนะไม่ได้เลือกหน้าเลือกตาใครไม่ได้ไว้ใครทั้งหมดนะ่ะสิ่งเรทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ อที่มันเป็นอิสระที่เป็นไม่ขึ้นกับใครมันมีอยู่นะในโลกนวิชาความรู้ก็เหมือนกันมันได้ขึ้นอยู่กับใครใครใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้ก็รู้ได้ในโลกเงินคำทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันเอใครมีปัญญาใครมีสติมีปัญญามีความหมัน่นควายันใครหายถูกถู ก, ถกช่องถูกทาง แล้วก็พร้อมกันกับเป็นผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีในอดีตชาติอีกเกือ้อกูลหนุนกันน่แหละมันเป็นไปได้ทั้งหมดนะในโลกเนะี่ยโลกในโลกหาได้นะหาดีหาโชวได้นะโลกหลานะหาสิ่งที่มันไม่ดีใส่ตัวก็ได้หาดีใส่ตัวเองก็ได้หาบุญใส่ตัวเองก็ได้หาบาปใส่ตัวเองก็ได้หาความยกย่องเชิดชูบูชาก็ได้หานรกหา หาคุกหาตารางใส่ตัวเองก็ได้มันโลกมันโลกหาได้เพราะฉะนั้นเราพวกเราเขามาศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราควรจะหาคุณงามความดีหาบุญกุศลหาสิ่งที่มันดีรู้ไหมดีคิดดีทดําดีพูดดีใส่ตัวเองนั่นแหละเลิศประเสริฐนะถ้าหาสิ่งที่มันชั่วใส่ตัวเองนั่นเลยมีแต่ความหายยานะมีแต่ความจิบหายนะ อ่ตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พระวันนี้ก็ให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกลูกหลานคณะธัตยาิโยม